เด็กคนนี้เจ้าเด็กคนนี้เป็นลูกของกูมันนับแสนชาติแล้วทําไมเท่านี้พวกมึงรักษาไม่ได้แล้วหรือย่างนั้นให้ไปเอาน้ํามาหนึ่งขันแล้วเอาธูปมาสามดอกเอาเทียนมาหนึ่งเล่มข้าจะทําน้ำมนต์ข้าจะรักษาเองหลังจากที่พรมน้ำมนต์เสร็จแล้วท่านก็พูดว่าเจ้าจงจําไว้นะว่าพ่อคนนี้ คือพ่อของเองเองเป็นลูกพ่อมานับแสนชาติพ่อคือพระอินทร์ถ้าต่อไปนี้มีอะไรขัดข้องจงนึกถึงพ่อพ่อจะมาทันทีถ้ากลัวผีพ่อจะช่วยขับผีถ้ากลัวหมาบ้าพ่อจะช่วยไล่หมาบ้านิสัยของหลวงพ่อหรือสีลิงดําในสมัยเด็กๆนั้นท่านกลัวผีและหมาบ้ามากตามตำนานยังกล่าวไว้อีกว่า เมื่อท่านอายุย่างเข้าเจ็ดปีเมื่อท่านไปพักแรมที่ไหนท่านสามารถที่จะรู้เรื่องที่นั่นได้โดยที่ท่านเกิดนิมิตกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นที่นั่นและตอนที่หลวงพ่อท่านอายุประมาณ 12-13 าขวบนั้นท่านก็เห็นวงเล่าเขากินกันแล้วก็ชวนให้หลวงพ่อเข้าไปนั่งด้วยวันนั้นมีหอยคงพลาเป็นกลับแกมหลวงพ่อ ท่านก็กินซื้อเต็มอัตราสึกเพราะรสชาติถูกปากแต่พอตอนเช้าก็เกิดอาการท้องเสียอย่างหนักแล้วเหตุการณ์ก็เหมือนเมื่อตอนที่ท่านอายุประมาณสามขวบและเมื่อท่านอายุได้ประมาณ14ขวบก็เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกเป็นโรคท้องร่วงเหมือนกันเป็นอันว่าชีวิตในวัยเด็กของหลวงพ่อฤาษีลิงดําตามตำนานได้กล่าวไว้ว่าท่านเสียชีวิต และฟื้นขึ้นมาสามครั้งในแต่ละครั้งนั้นก็เกิดนิมิต ท, ที่เป็นประโยชน์มาจนถึงปัจจุบันมากมายตามตำนานต่างๆของหลวงพ่อหรือสีลิงดำยังมีอีกมากมายพักสักครู่เดียวครับเช่นหวามตอนหนึ่งกล่าวไว้ว่าหลวงพ่อในเล่าว่าครอบครัวฉันแทบทุกคนไม่เป็นทหารก็เป็นตำรวจฉันเบื่อเรื่องการมีเจ้านายหลายคน เลยนี้ไปเรียนแพทย์แผนโบราณนึกว่าจะรอดแล้วเฉียวปรากฏว่าพอเรียนจบคุณนะหรือหลวงวิชาญแพทย์ซึ่งท่านอยู่กรมแพทย์ทหารเรือมาถึงก็บอกว่าแกเก็บเสื้อผ้าไปรายงานตัวได้ฉันบรรจุกแกเข้าเป็นทหารแล้วหลวงพ่อหรือสีลิงดำท่านก็เลยตกกระไดพลอยโจรไปเป็นทหารอยู่ที่กรมแพทย์ช่วงนี้ทาให้ท่านมีเวลาเยอะได้มีโอกาส ออกไปเที่ยวกันเป็นกลุ่มๆ ก, กับเพื่อนได้ศึกษาถึงชีวิตในวัยหนุ่มและในขณะที่รับราชการอยู่นี่เองหลวงวิชาญแพทย์ท่านก็ได้นีมนหลงพ่อปานมาเทศท่านเทศเกี่ยวกับเรื่องนรกสวรรค์เมื่อท่านเทศจบท่านก็ถามว่ามีใครไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์บ้างไหมทุกคนก็พากันเงียบกลิบมีแต่ลกพ่อหรือีลิงดากับเพื่อนยกมือกันสามคน หลวงปู่ปานก็ถามว่าทําไมไม่เชื่อหลวงพ่อฤาษีลิงดําท่านจึงตอบว่าไม่เคยเห็นต้องเห็นถึงจะเชื่อหลวงปู่ปานท่านจึงบอกคาถาสั้นๆสี่คำให้ท่องตามตำนานกล่าวไว้ว่าไม่ถึงสามนาทีทุกคนก็มองเห็นมองเห็นผีเดินไปเดินมาเต็มห้องประชุมหลวงปู่ปานถามว่าอยากเห็นแบบนี้เป็นปกติไหม หลวงปู่ปานบอกว่าถ้าอยากจะสอนให้แต่ต้องบวชหลวงพ่อฤาษีลิงดําจึงตกลงใจพร้อมๆกับเพื่อนที่จะบวชหลวงสุวิชาตท่านอยู่ในเหตุการณ์ท่านก็บอกว่าถ้าบวชครบหนึ่งพรรษาจะเลื่อนชั้นให้หนึ่งชั้นและมาเซนรับเงินเดือนได้ทุกเดือนแต่ต่อมาพอบวชครบสามพรนษาจึงไปบอกว่าไม่ต้องให้เงินเดือนแล้วเพราะ เต็มใจที่จะบวชหลวงพ่อหรือสีลิงดำท่านอุปสมบทเมื่อวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2480เวลา13บสนาฬกาณวัดบานงนมโคพอท่านอายุได้21ปีท่านสอบได้นักธรรมตรีอายุได้22ปีท่านสอบนักธรรมโทอายุ23ปีท่านสอบได้นักธรรมเอกในระหว่างที่ท่านบวช ประมาณปีพุทธศักราช2480ถึงปี2484ท่านได้ศึกษาพระกรรมฐานจากครูบาอาจารย์หลายท่านเช่นหลวงพ่อปานโสนันโทวัดบางนมโคหลวงพ่อจงพุทธสโรวัดหน้าต่างนอกพระอาจารย์เล็กเกสโลวัดบางนมโคพระครูรัตนาพิรมวัดบ้านแผนพระอุดมสมาจารย์วัดน้ำเต้า หลวงพ่อสุนวัดบางกระหมอหลวงพ่อเนียมวัดน้อยหลวงพ่อโนงวัดอัมพรวันในขณะที่ท่านศึกษาท่านก็ปฏิบัติอย่างจริงจังโดยอาจารย์แต่ละท่านคอยชี้แนะให้อย่างใกล้ชิดเมื่อปีพุทธศักราช2484ท่านได้มาจำพรรษาที่วัดช่างเหล็กที่ตลิ่งชันเพื่อเรียนภาษาบาลี ต่มาสอบได้ป ร, ริญญา3ามประโยคได้ย้ายมาอยู่ที่วัดอนงคารามหลังจากนั้นท่านได้เป็นรองเจ้าคณะ4วัดประยูนวงศาวาสและได้เป็นเจ้าวาดวัดบางนมโคและได้ย้ายไปอยู่อีกหลายวัดเมื่อปีพุทธศักราช2511จึงได้มาอยู่ที่วัดท่าสุงท่านได้พยายามซ่อมบํารุงบุรณะวัดท่าสุงซึ่งเดิมมีพื้นที่อยู่เพียงเจ็ดไร่ จนกระทั่งวัดมีพื้นที่ประมาณ290ไร่ในปีพุทธศักราช2527ท่านจึงได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่พระสุธรรมยานเถระและต่อมาก็ได้รับการเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระราชพรมยานไพศาลภาวนาณุสิทธิ์มหา อานิษฐ์สระบวรสังคารามคามาวาสีคือตอนนั้นนา ะ, ะไม่สบายแล้วก็จะไปหยิบกละมังซักผ้านะฮะแล้วก็แบบอ่าโยโย่มันก็เสียวปราบึ้นมาเลยแล้วก็เดินไม่ได้เดินไม่ได้แล้วก็ตอนนี้พลิกก็ไม่ได้เวลาพลิกตัวต้องมีคนจับพลิกแล้วกตกหมอนก็ไม่สามารถจะขยับขึ้นหมอนได้ ก็เลยพอดีมีน้ำมันชาเตยอยู่ด้วยก็เลยให้คนเอาน้ำมันชาเตยเนี่ยฮานวดก็เป็นอยู่แปดวันนะเทระยะว่าที่จะเป็นเอามาพลึกแล้วอมามพาดเนี่ยเนี่ยเป็นอยู่แปดวันแล้วเรื่องเกี่ยวกับวัตถุมงคล น, นะฮะแนน่คือแนบของหลวงพ่อเนี่ยให้น้องชายเขาไปใช้เขาเป็นตำรวจอยู่ลาดเท้าน ะ, ะเขาก็ขี่โมอเตอร์ไซค์ไป ตอนนี้เขาโดนรถฟิกอาร์ชนระหว่างที่เขาชนเนี่ยนะคะตัวเขาก็ลอยขึ้นไปบนอากาศตอนระหว่างที่ลอยไปบนอากาศแต่เขาได้ยินเสียงกระติบข้างหูบอกว่าให้เก็บหัวเพอาะบอกให้เก็บหัวเขาก็เลยเอามือทําอย่างเงี้ยเอามือทําอย่างเงี้ยวลอยพอตัวลอยมันตกตุ๊บไปที่ถนนนะก็ไม่เป็นไรได้จะถลอกเล็หน่อยในขณะที่ท่านได้ดูแลบุรณะวัดท่าสงอยู่นั้น ท่านก็ได้ใช้ความรู้ในด้านการแพทย์ช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนหรือเจ็บไข้ได้ป่วยและท่านก็ได้ใช้พลังแห่งความเมตตาจิตของท่านสั่งสอนบรรดาลูกศิษย์ลูกหาให้อยู่ในศีลในธรรมและการวิเคราะห์ธรรมะรวมทั้งการอบรมฝึกกรรมฐานซึ่งท่านหลวงพ่อหรือศรีลิงดำได้สั่งสมความรู้ด้านนี้มาจากพระเกจิอาจารย์มากมายรวมทั้งการแจกจ่ายวัตถุมงคล เพื่อให้บรรดาลูกศิษย์มีไว้ได้บูชาด้วยความศรัทธาลายตำรวจคนหนึ่งนะครับชื่อร้อยตีนิพลนะครับท่านได้รับพยายนจากเพื่อนท่านโดยที่ท่านไม่รู้ว่าหลวงพ่อฤาษียิงดํานั้นถิ่นไทยนะครับหลังจากที่ได้พยายนไปแล้วท่านก็เอาภาพติดตัวไว้นะครับในซองใบกับขี่นะครับแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งนะครับท่านได้ไปตรวจฐานนะครับเวียงสะนะครับกับรองผู้ว่าซึ่งสมัยนั้นฐานเวียงสะนั้นมีผู้ก่อการร้าย มากมายนะครับถือว่าเป็นพื้นที่สีแดงนะครับระหว่างที่ท่านเดินทางไปกับรองผู้ว่าเพื่อคุ้มกันนั่นรนถะของท่านถูกผู้ก่อการร้าโจมตีด้วย R ารพีจีนะครับทำให้รถท่า น, นขาดกลางแล้วตัวท่านเองเนี่ยกระเด็นขึ้นไปถึงยอดไผ่แล้วเวลาลงมาก็เอาหัวลงนะครับซึ่งลักษณะแบบนี้ต้องตายแน่แต่รองผู้ว่าท่านเล่าว่าเห็นรถตรีนิพนธ์เนี่ยสามารถลุกขึ้นมาหยิบ M อมติโพรข้างๆกายเนี่ยนะครับ ลกขึ้นมายิงนะครับยิงจังก้ายิงกับผู้ปรกอบการไลน์ได้หลังจากนั้นก็ได้เจอร้อยตีิพลก็เราลองถามท่านบอกว่าท่านมีความรู้สึกยังไงขณะที่ตกลงมาแล้วท่านบอกว่าตอนนั้นท่านมีความรู้สึกท่านเห็นในตํารวจขอโทษนะครับท่านเห็นรูปน้องนะครับที่ไปด้วยเนี่ยตายเรียบนะครับแล้วมีอยู่คนหนึ่งยังไม่ตายแต่ไส้ไหลแล้วก็ร้องให้ร้อยตีิพลช่วยขณะที่ร้องไปก็หยิบไส้ใสู่มิไปด้วยนะครับ ตอนนั้นรถตีนทุ่งบอกว่าเลือดเข้าตาแล้วก็เลยหยิบแอนนั่นขึ้นมายิงกับผู้ก่อการร้ายยิงจนมดกระสุนนะครับแล้วก็ฟั้งทิ้งไปแล้วก็หยิบปืนข้างข้างเคียงมายิงอีกนะครับยิงจนไปหมดทุกกระบอกนะครับทุกอย่างก็เงียบลงหันไปดูข้างหลังรถตีดิดตามคือรถลองพูว่าก็หายไปเข้าใจว่าคงถอยหนีไปแล้วนะครับหันไปดูผู้ก่อร้ายก็หายไปอีกนะครับเห็นมีตัวคนเดียวนะครับยืนยังกล้า่อยคนเดียวยิงอยู่คนเดียวก็หันมาดูลูกน้องก็ตายเรียบคนที่ไส้ไหลก็ตายนะครับ ก็เลย เ, เดินกลับไปที่ฐานนะครับพเพราะระยะหกิโลจะถึงฐานอยู่แล้วนะเราบังเดินกลับไปก็อพอเห็นาหารก็เรียกให้ช่วยบอกว่ช่วยด้วยแล้วก็ล้มฟาตลงไปเรื่องราวตำนานของหลวงพ่อฤาษีลิงดำได้สร้างความตื่นตะลึงให้แก่ผู้ที่ได้รับรู้เสมอเสมอเพราะคงไม่มีใครคิดมาก่อนว่า จะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นมาได้อีกสักครู่ครับเรามาร่วมกันเปิดบันทึกตำนานของท่านกันต่อไปอดีตวัดท่าสูงนั้นเป็นวัดที่สุดโซมากมีเนื้อที่เพียงเจ็ดไร่แต่หากว่าในปัจจุบันนี้ใครที่ได้มีโอกาสเดินทางไปที่วัดท่าสุงก็อาจจะต้องงงโงวยและมักจะถามกับตัวเองว่านี่หรือวัดเพราะความ ง, งดงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อยรวมทั้งความยิ่งใหญ่ที่ไม่สามารถที่จะเดินชมได้อย่างทั่วถึงและสิ่งต่างๆเหล่านี้หลวงพ่อฤาษีลิงดําท่านเป็นผู้สร้างและควบคุมการสร้างการออกแบบด้วยตัวของท่านเองทั้งสิ้นคนเนื้อที่290ไร่นี้มีสิ่งปลูกสร้างและถาวรวัตถุต่างๆมากมายเช่นห้องปฏิบัติพระกรรมฐานศาลาสองไร่ศาลาสามไร่ ส า, าราสไร่ศาลา12ไร่มหาวิหาร100รเมตรวิหารองค์สมเด็จองค์ปฐมวิหารสมเด็จพระศรีอริยะเมตรตรสําหรับสิ่งปลูงสร้างที่สร้างความหือฮามากที่สุดก็คงจะเป็นวิหาร100รเมตรซึ่งเป็นอาคารสองชั้นหลังคาจตุรมุข3ยอดด้านนอกด้านไหนปิดกระจกจนถึงยอดหลังคารวมทั้งเสาทุกต้น ทั้งฝาและเพดานทุกมุมเป็นกระจกเงาเปรียบเสมือนปราสาทแก้วมีขนาดกว้าง28เมตรยาว100เมตรภายในรเร็นสถานพระพุทธรูปแบบพระพุทธชินราชมีรูปปั้นของพระอรหันต์เจพระองค์มีรูปหล่อของพระเดชพระคุณหลวงพ่อฤาษีลิงดำและมีบุดสบกตั้งศพของหลวงพ่อฤาษีลิงดำที่นี่ด้วย มีอยู่คืนหนึ่งหลวพ่อท่านป่วยมากพ่อท่านป่วยมากตื่นอาตมาก็ไปเฝ้าท่านตอนประมาณตีสองได้ท่านตื่นขึ้นมาเขาบอกว่า น, นานทำไมาได้หลับเลยพระพุทธเจ้ามาบอกว่าคุณเข้าในโลกสมาบัติเสียร่างกายจะได้บรรเทาทุกเวทนาตอนท่านออกมาท่านก็นเล่าเราฟังว่า ามาได้ลับลอกพระมาให้เขาในรถสมาบัติพอนั้นพยุงขัน้นท่านเข้าห้องน้ำพอกลับออกมานั่งที่ที่นอนท่านก็บอกว่านานจะสร้างพระาททองคำนะเราก็กราบเรียนว่าหลวงพ่อครับสร้างตรงไหนครับสร้างตรงลงอิฐและด้วยความตราบตรำในการบําเพ็ญตนของท่านก็ทําให้ เมื่อเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2535พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็อาพาธด้วยโรคปอดบวมอย่างรุนแรงและติดเชื้อในกระแสโลหิตท่านจึงถูกส่งตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาลศิริราชและท่านก็ได้ละสังขารไปด้วยอาการอันสงบเมื่อวันศุกร์ที่30ตุลาคมพุทธศักราช2535เวลา16นาฬกา สิบนาทีแต่ภาระอันยิ่งใหญ่ที่หลวงพ่อท่านได้รับอยู่ไม่ว่าจะเป็นการดูแลการก่อสร้างตามเจตนารมณ์หรือการบริหารวัดและการดูแลการฝึกกรรมฐานและการสั่งสอนลูกศิษย์รวมไปถึงการแจกจ่ายยาแก่ผู้ที่เดือดร้อนเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆเหล่านี้พระครูปลัดอ น, า น, านันตพัทยาโนเจ้าอาวาสวัดท่าสุงรูปปัจจุบัน ก็ได้รับดําเนินการตามเจตนารมณ์ของพระเดศพระคุณหลวงพ่อฤาษีลิงดำามัชชการจับเรียนหลวงพ่อว่าหลังจากที่ท่านหลวงพ่อฤาษีลิงดําท่านลาสังขารแล้วและหลวงพ่อได้ดํารงตําแหน่งเจ้าวาดในขณะนี้หลวงพ่อมีอะไรที่จะมีการพัฒนากาวัวัตถุของที่วัดนี้เพิ่มเติ ม, มต่อสืบจากท่านหรือไมครับเรื่องการบุรณะนาคสิสังขรวัดนี้ ที่งานที่หลวงพ่ อ, อย ง, ง้งที่หลวงพ่อพระราชภรมยานยันยงทำงานข้างๆอยู่นี่คือประสาทคือพระดบองค์ปฐมพระดอกองค์ปถมคือสร้างเก็บพระพุทธเจ้าที่ล่อ ด, ด้วยทองคำา80กิโลเป็นพระนาตักสีนิ้วคราวกับคราว ด, ด้วย ท, ทองเหลือง